ทอมตัวคือรู้ว่าจริงๆมีดีแต่ไม่อวดดีคำพูดทอมตัวไม่ใช่การลดระดับตัวเองให้ต่ำต้อยลงแต่เป็นการยกระดับความฉลาดเลือกคำพูดให้คนฟังเกิดความรู้สึกที่ดีไม่ต้องถูกทิมแทงด้วยอัตราแหลมคมของคนพูดคำพูดอวดตัว ไม่ใช่การยกระดับตัวเองให้สูงส่งขึ้นแต่เป็นการลดระดับความสุขของคนฟังลงจากการต้องปั่นป่วนเพราะเกิดอารมณ์มันไส้หรืออยากเบือนหน้าหนีตัวตวนอันใหญ่เทอะทะของคนพูดถาม่อมตัวต่างจากโกหกอย่างไรถ้ากลายชมแล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราตอบเขาว่าไม่ขนาดนั้นหรอก อย่างนี้ท่อมตัวหรือนะับเป็นการโกหกโกหกคือรู้แก่ใจว่าเรื่องไม่จริงแต่ก็พูดเอาประโยชน์เข้าตัวทมตัวคือรู้ว่าจริงๆมีดีแต่ไม่อวดดีและยกย่องเอาประโยชน์ให้คนอื่นบ้างหรือกระทั่งพูดลดระดับตนเองเอาความรู้สึกที่ต่ำกว่าความเป็นจริงแบบเป็นที่รู้กัน ไม่ใจบิดเบือนความจริงแบบที่ทำให้เขาเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายถามมีเพื่อนถูกมันไสเพราะพูดอวดตัวเราควรแนะนำเขาอย่างไรต้องอยู่ใกล้คนรู้จักพูดเห็นตัวอย่างของการฉลาดถอมตัวหรือถ้าจำเป็นต้องโฆษณาตัวเอง ก็มีวิธีให้ข้อมูลรายละเอียดก่อนหน้าตาตัวตนพูดแบบไหนบ่อยๆรูปจิตก็เป็นแบบนั้นมีสติชอบทําตัวจะเบายกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นขาดสติอยากอวดตัวจะหนักลดระดับจิตวิญญาณให้ต่ำลง มาเหตุผู้อ่านในกรณีการพูดที่ดูเหมือนไม่ถ่อมตัวนั้นยังมีข้อยกเว้นอย่างเช่นตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่เรียกว่าบรนลือสีหนาฏคือเปลงวาจาประกาศอย่างองอาจกล้าหาญในคุณงามความดีของตนที่มีอยู่จริงซึ่งไม่ถือว่าเป็นการอวดตัวอีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่นการประกาศการเข้าถึงคุณธรรมในหมูนักปฏิบัติด้วยกันที่ท่านเรียกว่า เป็นการรายงานผลการปฏิบัตินั้นเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ผิดวินัย น, นะครับทั้งนี้จะอวดตัวหรือไม่ให้วัดกันที่จิตว่าประกอบด้วยเจตนาหรือไม่ดังนั้นการพูดความจริงว่าตนมีดีอะไรแค่ไหนจึงไม่ใช่เป็นการอวดตัวเสมอไปนะครับ